มาต้องเจ็ดเล่มเกวียนนะทันดเตรวิระประทุกมาต้องเจ็ดเล่มเพียนแล้วเจอผู้หญิงคนนี้เนี่ยหญิงคนเนี้กำลังไปตักน้ำครับท่านไปไหนมากันคะโอ้ยผมไปเรียนวิชาเป็นดอกเตอร์เจ็ดสาขาจริงมีือคะจริงเนี่ยตำล่าในรถในใ น, ในเกวียนรู้จักเกวียนไหรู้จักเกวียนไหม เวรที่เอางัวเทียมอ่ะเอาม้าเทีย ม, า ม, ายมรู้จักไหมคะนี่มันชํางหมารถเบนซ์ชื่หนึ่งผู้หญิงก็มาหน้าตักน้ําผู้หญิงไม่มีคนรู้ค ท, ทาชายไง น, นี้อวดรูอด้อวดดีว่าเดี๋ยเป็นด็อกเตอร์เรียนมาจบเนี่ยไม่มีอีกแล้วตำราเนี่ยใส่รถใส่เกวียนมาตึ้นอยู่ในพงไปแล้ว จริงหรือคะแล้วตอนลาเขบอกว่าจริงจะขาดแต่เวลาบอกจริงไม่มีใครหนึ่ง่นตองอูพ้นจากดรีลา่ามุกสิกกะผเท่านั้ น, น, นอย่างล้ขะคาบไม่มีใครเทียงผมจะไปเมืองผมเนี่ยใครจะเรียนรู้เถอะผมจริงหรือคะจริงแน่หรือคะแนลล่ลองดีเลยลองดีเลย ลองวี่เลยลองวี่วาดวิวาวิวานี้ทานก็เป่าเอามาเล่าใหม่ลองผูกทับใบก็เอาปืนมาอะไรใครมาทำอะไรยังิแม่เเลยผู้หญิงก็บอกก็เอละโดดลงไปในบ่อเดี๋ยวตายงเดี๋ยวเขาจะมาฆ่าลไปไหิงแม่เลยใครโดดโดดโดโดดมโดดลอเขายิงโดดเลยโดดโตมไปเลยแหมผู้หญิงคนนี้แน่เลย พอโดดลงไปแล้วนี่ร้องวิวาทำไมโหคนเดินทางมาตักน้ำโดดตกลงไปในบ่อร้ อ, องให้มาช่วยอ๋อย่างนั้นเหลือก็ช่วยเอาเด็ แ, แต่วิละขึ้นจากบอ่อคือนักปราดอวดบีนักปราดอวดบีระวังนะแต่หาผู้หญิงก็ดูมันนั่งนะมันมีมายากี่เปอร์เซ็นจำไว้นะ แล้วมันจะรักเรจริงไม่จริงเหมือ น, ยนยอย่างพวกคนแก่เมียก็รักเราพ่อวันไม่จริงหรอกแบบเดียวกันเราไดนะ้จำไว้นี่รักมันเป็นชติธรรมที่น่าจะศึกษาเขาเรียกมายาหญิงมีมากมายแต่ผู้ชายไม่ค่อยมีมายาผู้ชายไม่มีมายามีอะไรไม่มีมายามีอะไร บอกให้ฟังมีทะเละทรายผู้ชายชอบทะเละทรายผู้หญิงชอบมียามายาหญิงมายาหญิงทุกสิ่งเป็นความจริงไม่ได้ผู้หญิงผู้หญิงก็ช่างก็หลวงผู้ชายผู้หญิงมีมายาผู้ชายทะเละทรายเอาเรื่องเอาเราวบอกมีได้ แต่ไม่ใช่วาสิยนะเรื่องจริงที่ผ่านมาเป็นอย่างต้องแก้ไขยังกล่าวอย่าไปดูถูกใครไม่ได้อยากจะเลียนถามว่าเวลาจะเกิดปัญหาขึ้นมาท่านด็อกเตอร์ย่อมใหญ่จะไปเปิดำตำราเล่มไหนที่มันแก้ับปัญหาเนี่ยตำราเล่มไหนควรทันไหมตำราแก้ไขปัญหาชุวไม่ไดป้ปัญญาเนี่ยไอไอตาราเนี่แก้ไขไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงเน้นวิชาการเป็นหลักเน้นวิชาการเป็นหลักท่านเรียนจบทั้งที่ปดด็อกเตอร์แล้วแต่ก็แก้ปัญหาให้จะ ต, ตัวเองไม่ได้ลาฮูโลลูกเกิดแล้วห่วงผูกคอแล้วแก้ไม่ได้ห่วงผูกมือแล้วสามีพยาติดมือกันแล้วแก้ไม่ได้ แกไม่ลุดห่วงถูกเท้าซับสมบัติไปไหนไม่รอดต้องกลับมาหาสมบัติพันธสัญญจะเอาตำราเล่นไหนเรียนมาทั้งที่แปดลอกเตอร์แหละที่แปดศาสตรแต่ศาตรใดแล้วที่จะช่วยไม่สาสตรไหนก็ไม่ที่จะช่วยสาสตรอะไรที่จะช่วยแกปัญหาชีวิตมีศาสตเดียวเท่านั้นคือต้องไปค้นเอง ไปปฏิบัติธรรมในอรัญญเวาป่าถึงเวลาท่านถึงต้องเสด็จบรรพชาแต่สมัยสเสด็จบรรพชาท่านจะไม่หามีโอกาสจะหาตํารามาให้เราได้หรือ ม, มีโอกาสจะเอาตํารามาให้เราได้เนี่ยชัดเจนเลยท่านไม่อยากสเสด็จบรรพชาแล้วเพราะหาตำลานี้ไม่ได้แต่ท่านสาเร็จฌานสมาบัติตั้งแต่เป็นพระเชสัแบบดดงวรําดินก็ได้เหาะเหินในอากาศได้ แต่ไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาไม่มีปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาที่มีวิชาไหนแก้ทุกได้ไม่มีเลยดำดินได้ไงก็ต่างๆมีผ้าเหนือผ้าเลยเหนือกฎแห่งกรรมไม่มีเกยสร้างเวรสร้างกรรมมา ก, ก็ต้องรับกรรมด้วยตนเองอย่างนี้แหละหนอชัดเจนมากขอฝากไว้พระเจ้าเปงเสด็จบรรพชา กวจะได้วิชานี่ใช้เวลาถึงหกปีแล้วเราผ่าไปชิ้งกันซะได้เอาไปชิ้งกันซะได้พ <c oughs> อได้ตาลาแล้วนะท่าก็มาสอนพระก่อนไอ้พระเป็นพะระรหัสกันตามมันก่อนแล้วถึงจะไปเผยแพร่ศาสนาต่อไปถ้าไม่มีบริวารไม่มีพวกเป็นพะระรหัสต้องเร็จลุ่งรงบึ้กมันอยู่จะสอนไม่ไม่เด้๋ยไม่ได้๋ยวพ้น พระเนี่ยไม่มีไปพระรหารเลยเฮียพี่กูชมประทาก็ไม่มีท่านจะได้ผลยังละท่านได้ธรรมจักมรแปดบทธรรมจักกับบอกงาสูตรก็คือกรรมฐานหลนงรากโปรดปัญญวัตทีชังห้าก่อนห้าองค์อัญญาคุณขยะได้เป็นองค์แรกเลยเป็นพระโสดา อัญญาสุวตโพกนชนโยอัญญาสุวตโพคนชโยกนัญยะเห็นธรรมหนอหนอตัวนี้มาจากนั้นหนอมาจากวตะไม่ใช่ภาษาอะไรภาษาวัฏฏะแปลว่าหนอโอ้แล้วหนอถึงตัวจริงแล้วหนอที่นี่บุ่นวายหนอที่นี่ขาดข้องหนอพญาฉากุณบุตรพระพุทธเจา้าบอกที่นี่ไม่บุ่นวายเชิญเข้ามาได้ทุกเวลา เข้ามาเลยที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องแล้วจึงเข้ามาแหมความสุขในครอบครัวและเรือนมีแต่ทุกข์หนักทุกแบบไม่มีความสุขเลยในครอบครัวการครองเรือนของคารว่าเต้ทียนี้ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกน้อยกับทุกมากซาแต่ปัญหาให้กับเราตลอดเลยการ เราองค์จึงเสด็จบรรพชาขอวิชันมาแก้ปัญหานี้ได้แก้ปัญหาให้กับลูกและครอบครัวกพระพระเจ้าก่อนจะบรรพชาท่านมีครอบครัวแล้วมีลูกลาหูโลท่วงบุคคอแล้วหนอัอญญาสุปตะโพโกลทะโยโกลทญยาเห็นธรรมแล้วหนอกว่าจะได้ตำราจริงใช้เวลาถึงหกปี ไปญาติตำราที่แท้จากนางนุชนาสิทธาดามาสมัยก่อนนานมาแล้วเมื่อสมัยโน้นยังไม่มีที่พึ่งเลยไปหาพึ่งกับพระที่ไหนก็ไม่มีไปพึ่งผีเข้าทรงมีมาตัา้งแต่พุทกาลเนี่ยมันไม่รี้จะไปพึ่งใครก็เข้าผีเจ้าทรงผีเจ้าเขา้าทรงมีมานานเนี่ยตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้ายังมาติดมาจนบัดบัไปว่าเขาเลย อย่าไปว่าเขาอ้ไรเลยอย่าไปสนใจหน่อยได้ไหมไปเข้าสงฆ์เอยนะลาสิกกรรีบไปเข้าซะแล้วได้มาแข่งกระสุนเวรุวันนะข้าซเสี้ยเรมาหลวงจุมพรหรือลราจะการที่ห้าหรือเราแม่ขุนอิมหรือใช่เหรอเอาเข้าวก่อนสิจีสุนเวรุวันไปเอาเข้าวสงฆ์รักกรสิ เาหาพรามาข่าทรงซึงองค์หนึ่งจะได้แข่งกันเราศูนย์จะได้แตกไปเลยเอาไหมนะ่ะนี่มันไม่มีที่พึ่งไปพึ่งงอนดูฝูกดวงอีหยิบอีหยิบมันประจัดตำลาขึ้นมาอีหยิดเราตำลาดูะไรมือมันไม่รู้จะพึ่งใครก็ต้องไปดูเลยมือดูอะไรอะไรทุกอย่าง มีเหตุผลของการปฏิบัตินี่ก็เล่าย้อนลุกให้ฟังว่าพุทธการกับเดี๋ยวนี้ต่างกันไหมอย่างไรเดี๋ยวท่านจะรู้ตอบวันนี้ก็มาสบายเป็นข้าก็ต้องทนนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้พูดถึงวี่สี่นิกาเลยแล้วต้องปฏิบัติทั้งเจ็ดวันอย่านอนไม่ได้ห้ามนอนอาตมานอนค่อยนอนทําไมนอ น, น, อ, นอย่านอนหาทู่ยังไงแล้วมาต้องกินต้องอยู่กัน กินมามากแกินมานานเนี่ยกินมอือจกเต็มทีทองอกินมอือก็อิ่ม ก, กันพุทธเจ้าลเอย่าไปว่าใครนั่งทุกขาดาลุธ น, นาทุกขาดาก็ไปโบนบาลสังกาวเทวดาเทวดาวตามต้นหม้ ขึนมาช่วยได้ผีข้าวจ้าทรงมีมานานอย่างเช่นสาบาบาเป็นต้นเรื่องกนเมืองอารัญญ า, า, าตีฆ่าลานฟันแทงมาตลอดเมืองอารยันแบบนั้น พตะผู้ใเจ้าไปโปรดด้วยสถิประญาสี่มากุเลยกลายเป็นเมืองเมืองกุลุรัดเมืองอยู่เย็นตสุขมาจนบลับไม่ใช่เรื่องเลี้ยวไหล <c oughs> นี่มาไปเชนีุทธเจ้า ก, ก็หาไปหาไม่พบอาจารย์สนใจลาเดดาบกอุทกกระดาบอกตรากกะมะโคตรท่านก็ดำดินไดุ้ทธเจ้าก็ดำได้แต่ไม่เป็นทางพ้นทุกข์เลยอะไรมีฝ้าเหนือผ้า อย่าไปหาเหล็กหลาย้เยอะท่านรัฐมนตรีหามันแล้วก็ต้องตายทั้งนั้นบางคนโจรจีนฆ่าตายไปข้าเหล็กไหลมันจะไม่สอบสองล้านมันก็ต้องตายเอืองที่พวกที่มาไปยิงข้าวฆ่าเข้ามามาผู้เจ้าสอนชาติมีฟ้าเหนือฟ้าเลย เ, เห น, เนือกฎแห่งกรรมเหนือจากการกระทำไม่มีแล้วมาตกไปหานี้ก็ช่วยไม่ได้ เรายังช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้แล้วจะไปให้คนอื่นมาช่วยเราได้ยังไงเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วใครจะช่วยเราเนียรู้ไหมอะไรเป็นคนข้าวรงฆ์เจ้าพ่ออะไรเจ้าพ่อเขาเคียวนีือไงลูกกรรี่ยอะไรนะเจ้าพ่อที่เจ้าแม่เจ้าแม่เหรอเอาเข้าวไปเยอะ ในมาเป็นเชนีแล้วนุชนาสุชาดากวงข้ามัทุปายาตเป็นประจำขึ้นวันดนบุญถวายเทวดาวนงั้นเสียปัญวิษาขาบูช า, า, าหกเรียนเต็มเน้วยหามาสแสวงหามาหกหกปีไม่เจกไม่เจกปีหกเดือนหกปีนาง น, นุชนาสุชาดาก็เอามาโอ้โหต้ามใจเลย นางสุธาดาเป็นเศรษฐีในวันนั้นเงินทองไหลมาในบ้านบ้านนางสุธาดาเยอะตอนที่เจ้าชายเฉลวยขยะอาหารข้าวมะทุปย า, ายากใช้น้ํานมข้าวมาคั้นและเคี่ยวกับน้ำพึ่งอวนจนเหลือเป็นก้อนๆพระองค์เฉลวยหมดเลยแต่ก่อนนี้พระองค์ไปทําทุกอย่างเนียโอดข้าวก็ไม่สาเร็จ ทำทุกอย่างก็ไม่สาเร็จต้องบำเพ็ญทางใจต้องบริหารใจนี่บริหารจิตดาริหารกายเข้มแข็งที่จะสำเร็จไม่ใช่อย่างที่ทําอ่ะท่านก็มาได้ที่มมดดแมกจุชดาลอยฉาบทองคำวิ่งเหนือน้ําทันทีลอยไปวิ่งเหนือน้ําเลยแต่ก็ได้ธรรมะแลยท่านรัมูลที่จำาต้องฝืนใจคนลรถ้าฝืนใจไม่ได้ดีไม่ได้เลยลอไปตามอารมณ์ตัวเองใช่ไม่ได้ แพ้ตลอดแท้ตลอดเลยพระองค์ก็ได้ความก็ให้สิ่งให้พรสุชาดาพระพุทธเจ้าสําเด็จในคืนนะั้นสุชาดาเป็นเศรษฐีในคืนนั้นเลยเป็นเศรษฐีในคืนนั้นเลยเคยไปบ้านสุชาดาอย่างโน่งที่อินเดียโน่นอูลริมนม่น้ำในลันชลามือต้อนพรึกษา เคยไปเคยไปชอบนางศิชาดาใช่ไม้มสวยสวยยังไงเคยเห็นเหรอเขาก็ตอบเลยตอบคำเดียวไม่มีคดเสียงเขาเล่าให้ฟังไม่เลอะที่น้องที่ละทำมาฝืนใจถึงจะสำเร็จทุกอย่าง ถ้าฝืนใจไม่ได้ต่อไปตามอารมณ์ตามใจคนตามสาโชนตามน้ำเลวที่สุดไม่มีโอกาสจะดีได้ไม่สำเร็จลงก็ไปได้ยาคาคือยาปุจจกพรามแปดกรรมแปดกรรมนี่แสดงสัญลักษณ์คืมรกแปดแต่ท่านก็ไม่รู้จะได้อะไรขัดบันลางตาให้ตายงั่งขวาทับซ้าย หวาทับสะขับะมาธิดำรงเกดมั่นต0อสิบองศาไม่กระดิกเลยและก็ฝืนใจตลอดเลการชัดเจนก่อนที่สเร็จมาไม่สเร็จมาหกปีก็เพราะตามเปีไม่เป็นอิสระเสรีแต่คนไหนเป็นอิสระคนนั้นสเร็จการเป็นเสืรู้ไหมอิสระคืออะไร อิสระคืออนะไรเอาละเดี๋ยวต่อไปดีกว่าอิสระเรี่ยแปลว่าตัวอะไรแปลว่าชนะใจตัวอื่นชนะจาจตัวเังไม่ได้เติมอิสระไม่ได้แล้วทุกคนดีจําไปเลยคืนนี้เอาคืนยังลูกต้องนั่งคืนยังลูกอย่านอนตายให้มันตายจะได้ทําศพให้ทําศพให้จะมีเกียรตนะินะตั้มาทําศพให้ มาพิกาฟรีแท้ก็ฟรีเลี้ยงก็ฟรีเดีย๋ยจะมีขนกลมที่หัวกรงให้ฟรีทำไมฟรีพระคนไทยชอบฟรีไม่ชอบเสียหลักจามาเลยฝืนใจถึงจะดีได้ถ้าปล่อยไปตามอารมณ์รัฐมนตรีเสียคนไหลไปตามอารมณ์ไปนี้ไม่ได้ต้องฝืนขึ้นมาเลย ปวดเนี่ยปวดไนหะปวดตายให้มันตายฝืนเชื่อดีได้ต่อีกครัน้นึจําไมาเลยเพ่งสีธาเป็นอิสระเสรีภาพคือตัวเองชนะใจตัวเองได้แต่ชนะใจตัวเองไม่ได้แ ล, แล้วอิสระไม่ได้จไมาเลยราชมนตีจำมาเลยรมนตียังไม่เป็นอิสระ ชนะตัวเองไม่ได้ให้อีกคนอื่นเข้ามาขม่มเราถ้าเราชนะใจตัวเองได้มันจะเป็นการชนะคนทั้งโลกทั้งสภาเลยถ้าเราชนะใจตัวเองไม่ได้แพ้ตลอดรายการจรึงต้องมาฝึกทําไมมาฝึกนะแพ้ตัวเองเลยจะไปสอนทุกอย่างไงสมมตไปเข้าสองดูนะ มัวไปเข้าชงอยู่เยอะนี่ข้นแกนหินพอหาแล้วแต่พูดเฉพาะตรงนี้อย่าไปพูดถึงค้นแกนเดี๋ยวเขาจะดา่าคนที่เข้าชงเขาชอบนีนอบน่อย่างนี้เป็นชอบหลายคนอจะเป็นพระหรือเป็นคารวะก็ตามถ้าตามใจตัวเองเสียคนเอาดีไม่ได้เลยแต่มาถึงเขียงขึ้นมา ผู้หญิงหน้าเพลียตามใจตัวผู้ชายหน้ากลัวไม่รู้จับเพลงใจคนนี่เขียนขึ้นมาเลยเป็นวิญญาณอิปน์พระสระารกัณฐ์ร่วมพิน า, ารณาสรุปสรงไปตรยสอผู้หญิงตามใจตัวผู้ชายเห็นก็บตัวผู้ชายเห็นตัวแล้วที่สุดอย่าไปคบคาสมาคมนี่เกือบคือกรรมฐานมา่ใช่เรื่องเล้วหลายที่ท่านที่อยู่กล่าวมาเนี่ยไม่ใช่บทชีพรามตามวัดไปนั่งเบียดกันซะลานเหรอ อันนี้มนฆ่ามาเป็นยากรพูดแล้วพูดอีกนะจิกกันเทศไม่พักไม่ใช่นะโยบายอันนี้นะวัด น, นี้ไม่อยากได้เลยทั้งค่ยิ่งห้ายิงได้แนะ่นอนหวัวงอดหมด ม, มาแล้วไม่หว้วงก็ไม่อดหมดมาเลยรวยกรรมาฐานทำให้มีฐานะดีทำให้รวยทาให้จิดเป็นกุศลทำให้ใจสบายเป็นปกติดีชนะแล้วซึ่งโลกมนุษย์ จำไม้ให้ได้บางคนไม่จำเลยไม่จดเลยแต่ก่อนนี้ไม่มีตัวหนังสือเขาอาจิตเป็นคนจดสาะมุนดีจจำไว้เขาบอกว่าตายเนี่ยโยมพระบาลมาจดแล้วใครทําบาปไปเลยโยมพระบาลมาจดถูกต้องตามนโยบายวิธีปฏิบัติไม่ใช่แล้วคนทั้งโลกเนี่ยมีกี่ร้อยล้าน นล้จะไปหาโยพบาลที่ไหนไม่ครบกับร้อยล้ะโยพบาลอยู่ที่ไหนนะโยพบาลมีกี่คนรติกรโยพบาลมีกี่คนมีสามคนย ล, พล้พอโจทเหรอมีโจทเหรอหาตอบได้เลยใครเป็นตัวกําหนดสิตใครเป็นคนจดทําบุญทําบาปกราบ นะโอวล่ า, านี่ตัวสำคัญจดไว้โบไม่รู้ทำบาปก็อาเทไว้ทำบุญก็อาเทไว้ทำชั่วก็อาเทพไว้ถึงเวลาเนี่ยกดแหกรรมมาเลยโยมขบานอยู่ตรงนี้ถึงเวลาจะเอาโซ่ลากไป้ทาทำดีมีปัญญาจะร้อนที่จั ก, กรินเท ว, เวลาพื้นตานจะร่อนที่พญายนาคา เช่นที่ศูนย์เป็นตัวอย่างพญานาคมาช่วยเราเยอะทำชั่วเน่จิตมันจบทางชั่ววันโยงพบาลจะเอาโครงกวนมาลากคุณไปเมื่อไรคือกฎแห่งกรรมจากการกระทำของตนเองจากการกระทำของตนเองมิชัยคนอื่นทำให้เลยนะเข้าใจไหมพระอาจารย์สรุปใจความว่าพูะเจ้าจึงต้องไปหาวิฉันฝืนใจได้พระองค์ก็ฝืนใจเลย ตายให้มันตายพระองค์ปฏิบัติมาหกปีเพิ่งเาเี็จในวันนี้เฉาเ่็จตอนสูนใจเ ท, ท่านี้เองพระองค์ไม่ฝืนใจเหมือนอย่างพวกเราไม่สูนใจต่อไปตามอารมณ์ไม่ใช่หรอกตายให้มันตายสิปวดหนอปวดหนอตายให้มันตายสิให้รู้ไปฮะทาไมทนไม่ได้ยูงเหลือตนอนโมตีต้องอย่าตามใจ ตอบได้ไง่ายๆท่านจะได้ตำราไปเยอะเลยได้ตาราเกิดขึ้นโดยปัจจัยต่างรู้โดยเฉพาะตัวเองไม่ใช่รู้ในหนังสือฉลาสุรีประชาธิปไตยมันจะครบวงจอรอัตตาธิปไตยตนเป็นใหญ่ไม่ใช่นิจเตะใครก็เตะเป็นใหญ่ยังไงคําว่าอัตตาธิปไตยก็คือตนเป็นปที่พึ่งของตนพึ่งตัวเองได้ช่วยตัวเองสอนตัวเองนี่อัตตาธิปไตย โลกาทิปกายเข้าเมืองริริวตาตามอย่าไปขาดคอเขาดินไหมไปบ้านเขาเนี่ยอย่าไปบังอาจอย่าอวดลูกอดกอดี ก, กับบ้านเขาโลกาทิปกายโลกเป็นใหญ่เพราะเราอยู่ในในโลกไม่ใช่อยู่เหนือโลกยังไม่ใช่เป็นพระอรหันยังอยู่ในโลกยังไม่ใช่เป็นโลกอุตระเป็นเพียงโลกีปัญญาเทนะ้อย่าบาังอาจตรงนี้ลึกซึ้ง ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ทุกคนเลยเราในฐานะจะไปสอนคเขาเราต้องสอนตัวเองกันก่อนนะต้องให้ได้ระเบียบไปก่อนไม่ได้อันนี่จะทำในเรื่องที่จะสอนก็สอนไม่จะเอะ เ, อเออ น, น็ไม่จะนอนก็นอนได้เหรอะไม่ได้โลกาทิปไตยดูโลกเขาบ้างสิโลกเขาไปแค่ไหนได้วยการเดินนุ่งนาหมื่นธรรมมาทิปไตยธรรมะเป็นใหญ่แน่นอน ธรรมะมีอยู่สี่ประการที่เป็นธรรมาธิปปะจยัยธรรมาธิปปะยหนึ่งธรรมะข้อหนึ่งคือธรรมชาติเราจะอธิบายอีกธรรมชาติธรรมะข้อสองคือเหตุจูบผมอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นอย่างไรให้ถือปฏิบัติปัจจุบันอดีตเป็นความฝานอนาคตไม่แน่นอนถือปัจจุบันปัจจุบันนี่ข้อสองธรรมาธิปปะจยัยสาม กดแทงกรมทำดีด้ดีทำชั่วได้ชั่วเชือฝืนใจเป็นธรรมมาที่ประจยัยท่านนี้เองนะนี่แหละเรียกว่าอิสระเชิงอิสระแปลว่าชนะใจตัวเองได้เลยถึงจะเรียกอิกสระแต่ชนะใจตัวเองไม่ได้ไม่เป็นอิสระเลยเป็นขี้ข่าเขาตลอดขี้ข่าตัวนี้หมายความว่า ต้องรับใช้ของคุณโน้นใช้มากคุณนี้ใช้มากใครอฉลาดเสียดังกล่าวเนะี่ยใครจะใช้เราวงจรครบไหมคือข้าพเจ้าชนะใจตัวเองเนี่ยเหตุใดจะชนะพวกท่านไม่ได้ใช่ไหมเราแพ้ใจตัวเองเนี่ ย, ม, ม, ย, ยมีแต่แพ้ตลอดไม่มีโอกาสจะดีได้แน่นอนเขอาอสาบไปไปถามใครมาอ่ะฝรั่งโอค้คตอบแน่นอน ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้จะตอบฝรังไม่ได้นะเอาข้อต่อไปพระพุทธเจ้าสมเกตแล้วต้องหาก็บอกเสียงก่อนท่านรัฐมนตรีวิลาต้องหาก็บอกเสียงลาวงต้องมีกองเชียร์มีสิงมีรับมีกราบมีแกะคนเดียวไปไม่รอดต้องเลิาหาเขาบอกเสียงหากองเชียร์ก่อน พุทธเจ้าจึงต้องหากงเชียหาอะไรเอฮีพิขูสมมาทาต่อหน้าพระพุทธเจ้าเรียกว่าวงจรครบบวชต่อหน้าพุทธเจ้าสองบวช ด, ด้วยลัตนะกายพระพุทธธรรมประสงค์ครบอัญญาปุญญะเป็นประสงค์เนี่ยให้บวชมีพระสงค์ลัตนะกายเป็นที่พึงสามบวช ด, ด้วยพระสงค์ สาวกของพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ในที่ประชุมเรียกว่าสังฆกรรมเรียกว่าสังฆกรรมไม่ใช่เรื่องเลี้ยวหลายเนียบีปก็บอกเสียงพระเจ้าจะสอบสวนอะไรท่านจะไม่ตัดถึงคนเดียวต้องใช้ที่ประชุมด้วยเรียกว่าสังฆสภาเอาที่ส่วนใหญ่เป็นที่ปรึกษาและเห็นพ้องต้องกันถูกต้องตามพันลองคนชีวิตจะถูกต้องตามพระธรรมวินัยด้วย ถึงจะล ง, ลงเอยไม่ง่ายไม่ไ ด, ไได้ไม่มีเหตุมีผลพอบวชเปมีบอยศาสตีแล้วก็เริ่มปฏิบัติตั้งคำสอนอาจารย์รัติกรและพระพุทธเจ้ามาตั้งคำสอนเมื่อวันไหนตั้งคำสอนวันไหนตอบดังๆตั้งคำสอนวันไหน นะเวลาใครบอกใครป็นคนบอกนะนะอะไรเนะีนะ่ยคิดยังไม่ได้นะตอนที่พระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่การทำสอนไม่มีวิชาครู ตาตัวลงั้นนิบาศตาสงมาโดยไม่นัดหมายมีบ้างไหมไม่นัดหมายไม่นัดหมายจะมาได้ยังไงตอบไม่นัดหมายจะมาได้ยังไงตอบนะรู้ได้ยังไงล่ะรู้ได้ยังไงมาด้วยศรัทธาไม่ได้บอกไม่ได้บอก ออไไนะตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้วันนี้ไม่กองเ่งตอบไปรู้ได้อย่างไรต้องมีอะไรทุกอย่างต้องนัดหมายใช่มจำมมนัดหมายมาเองไม่ได้นัดตรงไหนอย่างไรขอแสดงชี้แจงไปตอบไม่ได้นะมนานัดหมายรู้ได้ไงเนีอยออกเตนให้ตรงหลายข้ออะไรยังบอกไม่ถูก รู้ยังไงจำไว้จำไว้ทันละบเงื่นีจิตมันถึงกันหมดไม่ต้องส่งหนังสือไม่มีหนังสือส่งหาง ก, ก็ต้องสิบโยหกโยดยาดุาที่ทั้งสี่อยู่กายฉังกา ย, า ย, ายแต่ล้วนแต่เป็นขี่นาศรู้ไหมขี่นาศรคืออะไรให้บอก ขีมาสพนั่นคือบวชต่อหน้าพุทธเจ้าเรียกว่าขีณาศพเป็นพระหลานทั้งหมดเป็นพรหลาทั้งหมดเราจะรู้ว่าองค์ไหนเป็นพระหลาน ร, รู้ได้ไงเนีย่ยว่าน้างเนี่ยใครเป็นพระหลาน ร, รู้ได้ไงตอบนะอะไรนะพิกิตไหน ขอตอบให้ฟังว่าวาลจิตเป็นปัจจตังคนไหนมีสติปัญญาเท่าเทียมกันฟังนะเข้าใจั้มเนี่ยคนผู้สมเร็จเป็นพระลาดนั้นเขาจะรู้ตูของเขาเองเป็นปัจจตังแต่คนนั่นก็บสมเร็จคุณสมเร็จเขาจะรู้เรื่องเหมือนกัน เขาจะรู้เรี่ยมเหมือนการปัจจตางเวทีตัดโพวิญญูหิตเข้าใจไหมเนี่ยจิตคน ร, ระดับเขาจะไม่รู้เลยเราจะเบาว่านี่เป็นพราหันไม่มีพระนารหันแล้วสมัยนี้แต่จะรู้ว่าไงเนี่ยพระที่ น, นั่งรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นพระหลานจะรู้ได้อย่างไรเข้าใจไหม ไม่ใช่หมายความว่าองค์ไหนเป็นนะแล้วมาเลือกมัาถามตอบมาสอบถามด้วยหนังสือไม่ใช่สอบทั้งจิตเขาจะรู้เรื่องกันเองแล้วอกประการที่สามคนที่สําเร็จมาโคนหรือตั้งไม่ต้องถึงจะเป็นพระล้านแหมะปโสดาบันเบื้องตน้นง่าย่างยังมีราคะมากหลายยังมีการมาคุณเยอะเหมือนกันทุกคน แต่ปัญหามันอยู่ที่ข้อนี้หนึ่งสินวิสุทธิสองจิตวิสุทธิสามปัญญาวิสุทธินั่นคือประสาูาษแต่ยังมีการมาคุณครบรลปเสียงตินรสผลถะยังไม่อยู่แต่การที่โลกกรดหลงจะฝังใจเขาต้องไปอาบายมุข ค, คงไม่มีเท่านี้เองนะเข้าใจยังนะ กายทิฏฐิวิจิตริฉาร์ศิลปะปรามาสไม่มีสามข้อแต่เจข้อยงดุครบไม่มีสามข้อนอั่งนอกนั้นครบเลยเหมือนกันอย่างเราธรรมดาเรียกพระโสดาบาดันเรียกพระโสดาบันเท่านั้นในวันนี้จะพูดและดับเหการมาสมัยพุทธกาลให้ฟังจะได้เข้าใจากับยุคมายวนี้นไม่เหมือนกันแล้ว ไปคนละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วมาสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีสัพพายะเหมือนอย่างนี้แต่พุทธเจ้า บ, บอกว่าสัปพายะสะดวกสบายแล้วให้ไปปฏิบัติธรรมสัพพายะสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่ต้องอะไรท่านนมตีผ้าพรทอนบายก็ไม่มบางสกุลจุวลางิสาเ ย, ยปะผักชาตัดถเทโ ย, ยชีวงังอุสาหูกันอยู่อาติเลกะกะกิอาติเลกะลาภู ไม่มีเลื่องอของมูและเสงนาสนางนิสายาปภัชชาตัดเถรยาวชีวังอุสาโหกนิโยอัตเลกลาพโพมิหาโรจะโยโคปาสาโทหามิยัางคุหาบัญชกุลผ้าหายากตลาดก็ไม่มีขายโยมก็ไม่มีฉวาย พระต้องไปหาเองบางสกุลพาคคิริ้วบางสกุลแปลว่าไรรัติกรรู้ไหมบางสกุลแปลว่าไรแปลว่าถือเอามาเองโดยไม่ร้เจ้าของถือหยิบมาเองเรียกว่าปังสกุลจิวหลังภาษาบาลีว่าบางสกุลภาษาไทยชักเรียกว่าหยิบมาเองโดยไม่มีเจ้าของห่วงแหง คือผ้าเทิ้วหรือผ้ากระเจงไนก็ยังอยู่ขอพูดอย่างคําหยาบได้ไม่ได้ผ้าคุกปุ่นผ้าผ้าอยู่ในถนนทางกองหยักเยื่อเป็นต้นบ้างสกุลเอามาทําไมเอามาซักให้สะอาดแล้วก็เย็บเป็นตอนตอนเป็นกระตอนเป็นกระทงเพราะผ้ามาเล็กๆ ก, ก็เย็บเป็นกระกระเขบมาจนบัดนี้เหมือนกระทง พวกขธันนาของชาวมครดลัฐอย่างนั้นแต่มาปัตนี้เนี่ยญาติโยมมีถวายโยมมีศรัทธาตลาดมีขายผ้าบางสกุลนี้ก็หายไปอยู่แต่ผ้าบางสกุลศกและผ้าบางสกุลผาป่ามาจนบัต น, นจำไว้ให้ได้เมือก่อนมีอะไรถ้าต้องไปหาเองพระพุทธเจ้าเป็นจกักรพรรดิ เงินทองท่องประคังเยอะไม่เคยไปขอพระบิดาไม่เคยไปขอโยมไม่เคยขอเลยดูว่ตาโยกที่มีไหมไปขอพ่อแม่มีไหมต้องไปหาผ้าเกริยวมาเหมือนกัน บ, บางสกุลกิวลังอสายาปะปะชาหาผ้ามาสกุลมาใช้เองดูว่าไม่เบียดเบียนโยมเลยมาจองไปเลียรายเลยด้วยห้มามให้เรียร้ายด้วย ไม่เบีเยดเบียนญาติโยมแน่นอนได้ไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนี่คือกรรมฐานทั้งหมดนะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่จะเป็นหลักคําสอนของพระเจ้าที่แท้จริงนะถูกต้องอย่างนั้นยอยู่ขมูและเสนาสนางนิสัยยาป่าพชาหมายความว่าบวชแล้วมานั่งปฏิบัติแปลว่าหาที่สงัดปฏิบัติธรรมไม่ ค, คลุกครีก็มูคนะ่คณะอยู่ตามโคนไม้เรือนล่างวางเปล่าที่สงัดที่เงียบสงบ วิหารรอจะโยโคปาสาโทหาไม่ยังคู่หาให้เข้าถ้ำคือสมาธิภาวนาไม่ให้เข้าไปถ้ำคูหาอย่างในป่าในดวงไม่ใช่สมาธิตัวนี้แปลว่าคูหาอย่างแล้วว่านั่งสมาธิในถ้ำอย่าไป ค, คลุกครีก็หมู่คณะกินน้อยนอยนอน้อยพูดน้อยทําความเพียรมากอย่าไปพูดคูยการปากยังพูดจิตยังคล็ดหมายถึงสมาธิภาวนาปากยังพูดกันอยู่ไม่ได้ จิตยังคิดอยู่หลายเรื่องมารวมกันไม่ได้ต้องฝึกต้องหัดให้หมดไม่งั้นไม่ได้เลยเลยนะไม่ได้จุดมุ่งหมายอันนั้นแต่ประการใดขอฝากไว้เป็นข้อคิดในวันนี้ด้วยไม่งั้นหมดโอกาสนะี่ยนี่พระเจ้าสอนชัดเจนมากแต่พวกเราไม่ตีความพระเดี๋วนี้ไม่เอาเรียนจะเป็นบาลีเป็นมหาฆาประโยค์กันไปแล้วก็ศึกกันไปเท่านั้นหรือ ไม่มีการคำว่าอริยาวาชีในลาวป่าอริยาวาชีเนี่ยคือคำวาชีคือวิชาการแต่พูดตามศัพทะก้อสีอ ส, สองก็เรียกว่าคันถาธุระต้องเรียนวิชาการก่อนสองวิปัสนาธุระและปฏิบัติตามคําสอนวิจาระอันดับสองอะ่ะจึงต้องคู่กันไปถ้าเรียนอย่างเดียวไม่จะปฏิบัติก็ไร้ผลปฏิบัติอย่างเดียวไม่เรียนผิดปฏิบัติผิดเนี่ย เพราะไม่ไปตามแผนที่ที่บอกมาคำบังคาตามวิชาการผิดเรียนชันโดดก็คือเรียนปฏิบัติทั้งคู่ด้วยสมถะกรรมฐานอัิษณากรรมฐานต้องเรียนวิชาการด้วยเช่นสติปัฏฐานสีถ้าใครมานั่งปฏิบัติในศูนย์นั้นปฏิบัติแล้วต้องอธิบายวิชาการก่อน เวอธิบายสติปัฏฐานสี่ให้ชัดเจนให้เข้าใจก่อนพอเข้าใจดีอ่ะนี่เรียกว่าปริยัตเข้าปฏิบัติเลยเนี่ยเรียกว่าเรียนชั้นโดดไม่ต้องไปเรียนตามมาดับต้องอธิบายเรื่องสติปัฏฐานสี่ทางสายเอกของบรมโลกกวเวชเดชชี้แจงแสดงมาให้เข้าใจโดยวิธีปฏิบัติพอเข้าใจแล้วสองวิธีดาเนินงานนโยบายการปฏิบัติทำอย่างไร กายเวชนาจิตทำอย่างไรกายต้องยืนเดินนั่งนอนเลี้ยวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเอียดขามีสิสองข้อยืนเดินนั่งนอนนี่ฉันโดดแล้วเดนเดินนั่งนอนเลี้ยวซ้ายแลขวาคู่เหยียดเอียดขาเลี้ยวซ้ายแล้วก็แลขวาคู่ เหยียดเียดขากำหนดจิตครอบวงจรถึงจะรู้ว่าคู่นี่มีกิริยะอะไระเป็นรูปเยนาะมันจะบอกทันทีเหยียดขาต้องกำหนดเนี่ยเราก็ขาดตรงนี้กันนะแล้วกำหนดอายะธาอินทียก็ขาดอีกอินทรีย์คืออะไรก็ไม่รู้อีก อิทรี์เป็นหญ่ในหน้าที่การงานทำให้เอาไปทิ้งถ้าเอาไปทิ้ ง, งจะเป็นใหญ่ในหน้าที่การงานไม่ได่จาจะขี้เกียจขึ้นชัดเจนมากนี่สิเรียกวเรียนชั้นโดคอขอฝากไว้ทุกองเลยที่สูงแล้วก่อนจะพักปฏิบัติเนี่ยปฐมอนนี้แค่เรื่องเรื่องติีประทานสี่สอนตรงนี้ก่อนเป็นวิชาการคาเมวาสี แล้วก็สอนอริยวาสีสอนปฏิบัติเลยฉันบกเดินตรงกลมอย่างไงยืนหน๋อย่างไรอะไรเป็นกายอะไรเป็นลูกอะไรเป็นน้ำอะไรเป็นรูปอะไรเป็นน้ำเดี๋ยวก็จะเมืงานต่อไปอย่างนั้นถ้าไม่รู้เลยเนี่ยไปเอือบปฏิบัติชุม 4, สี่ชุมห้าไปไม่ได้เลยเลยนะไม่ได้เลยแลย้วเขาไม่เข้าใจาในเมื่อคนเราไม่เข้าใจเช่นี้แล้วจะปฏิบัติได้หรือ แถมครูสอนไม่เข้าใจอีกไม่เข้าใจเลยไม่ได้เลยเลยทั้งครูทั้งผู้ปฏิบัติย้อนยุกอีกทั้งข้อน่งมาสมัยพุทธ ก, กาลปฏิบัติอย่างไรตอนที่พระพุทธเจา้ายังทรงเพลิดเพนจะให้ทำอย่างไรแล้วข้าวปลาอาหารทำอย่างไรหนึ่งอาวาส ป, ปายะอยู่ในดงใน่า มีสองวัดทามวาสีอารันยวาสีเรียนจบวิชาเนี่ยจะส่งไปโน่นอารัญยวาสีไปทําปริวัชกรรมอย่างพระสงฆ์เนี่ยไปทําให้ศีลบริสุทธิ์ก่อนเวลาจะปฏิบัติต้องแสดงอบัติต้องดูกรรมก่อนอยู่ปริวัชกรรมก่อนให้หมดเฉนียดจังไรที่มีอยู่กับพระสงฆ์ยมก็ต้องรับศีล ให้สินวิสุทธิจิตวิสุทธิปัญญาวิสุทธิพระต้องแสดงอบัตหรือไปอยู่ปริวาชกรรมอยู่ในอารัญญาวาราวป่าสิบห้าวันหนึ่งเดือนอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปดูเรียกว่าทำวิสุทธิสินให้ครบถ้วนขบวนการอีกด้วยตอนทันยังนี่อยู่หมายพุทธกา แา้วทำยังไงสักหนึ่งอาว่าสปายะสองอาหารสปายะสามบุคลกรสปายะ 4. ธรรมะสปายะมีสิข้ออาว่าสปายะคืออะไรที่สะดวกสบายเช่นศูนย์วิวันป่าไัยเนี่ยสะดวกสบายอาหารสปายะไหมมีกระขพรวกินกันไหม มีสะดสบายตามปฏิบัติจะดีขึ้นสามบุคลากรสปายะมีคนช่วยเหลือไหมมีแม่ครัวไหมมีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกันไหมมีครบสี่มีธรรมะให้เขาไหมหรือมีธรรมะให้มีธรรมะให้ครบวงจร แต่สมัยพุ้จการไม่มีแม่ครัวไม่มีบุคลากรทำอย่างไรสมัยพู้จการทำอย่างไรจะได้จำเอาไปด้วยผู้เจ้าเนี่ยให้พึ่งตัวเองแท้ๆให้ช่วยตัวเองนะและให้สอนตัวเองด้วยในสมัยพุ้จการถ้าทั้งหมดช่วยตัวเองนะเริ่มอุโบสถเริ่มอุโบสถ ทำมาสวดมนต์ไหว้พระคือพระคาถาธรรมะธรรมกคาถาเรียวกว่าสวดมนต์ไว้พระตัวเองไปพระทําไมต้องสวดมนต์ไว้พระธรรมะคาถาแสดงธรรมะเรียวกว่กาการทุ่มทำอย่างนั้นกวารอาวาสลานเป็นเดีพระต้องกวาดเองเวจกูดีข้อปฏิบัติต้องกวาดเองคือพระถ้าสอนมาอย่างนี้ เขเรียกกับกิจวัตรของพระปิสุกิจวัตรของพระปิสุกนผมกอนหวนวดตัดเล็บคล้องผ้าเยบ็บน้อยหมผ้าตลอดเวลาอย่าแต้ผ้าไม่ได้นี่กิจวัตรนี่พระเจ้าสอนชัดเลยศึกษาที่ขาบทปฏิบัติพระอาจารย์อุปชายวัดอาจาริวัดแม่พระ้าจารย่สอนแน่เลยแต่ไม่ทำตาม ไม่ทําตาม พ, พระพุทธเจ้าสอนให้กวาดอาวะเดิมจะดีเวทจะกูดีห้องน้ําห้องส้วมที่กินสะอาดที่ทายสะดวกพระเป็นคนทําไม่ใช่โยมมาทําให้พระพุทธเจ้าสอนในกิจวัตรนี่เจตํานานมีเยอะเลยนะ่ะแต่พระไม่ได้เปิดดูกันไม่เปิดดูเลยไม่เคยกวาดอะไรถ้าคนมีธรรมะตามคําสอนพระเจ้าจะขยันกวาดทําด้วยพด้วยตนเอง เรียกว่าท่านสอนให้เราพึ่งตัวเองและช่วยตัวเองช่วยตัวเองพึ่งตัวเองสอนตัวเองได้ชัดให้อยู่ข้อหกอยู่ไปรเรียกว่าสกรรมคือให้หนักกรรมฐานชําระศีลให้เป็นศีลวิสุทธิชําระจิตให้เป็นจิตวิสุทธิชําระปัญญาให้เป็นปัญญาวิสุทธิเรียกว่าละดับญาณอย่างนั้น เรียกว่าการเจริญกรรมฐานบังคับไว้เลยบังคับไว้ในในกิจวัตรของแบบเพื่อไปสูงต้องเจริญกรรมฐานต้องอยู่ปริวาสคือทำละจิตทำละใจให้สะอาดสร้างปัญญาให้ถูกต้องแก้ไขปัญหาอย่างดีที่สุดแนละ้วในอย่างนี้เถถูกต้องแล้วนะอย่างนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ย ตอที่พระพุทธเจา้ายังทรงพระชนท่านให้กิจวัตรอย่างไม่ใช่ยอมไปกวาดให้ท่านพระต้องทองําเองวัดี่เป็นของใครวัดเป็นของพระพุทธเจา้าเป็นของส่วนรวมพระต้องเป็นผู้ปฏิบัติพระเป็ต้องเป็นผู้ทําอย่างนั้นแล้วมาสมัยพุทธกาเนี่ยมีแม่ครัวมาหรืจําไว้มีแม่ครัวไหม ไม่มีเลยนะแล้วคารวะจะเข้าไปยุ่งกับพระก็ไม่ได้พระอยู่ตามลาพังแล้วเวลาเจ็บปหวยป่วยไายเนี่ยใครเป็นผู้ปฏิบัติส่านรำนตรีรู้ไหยหรือผู้เจ้าเป็นผู้ทําเองเนี่ยเป็นผู้ทําเองเลยนะเป็นผู้ทําเองเลยพระภิกษุรูปหนึ่งอ า, าพาธพระสงฆ์อย่างนี้ไม่ได้ดูแล่อยตามจะถากรรม เป็นโลกฝีดาบน่าเกลียดเป็นฝีดาบออกมาน้ําเหลืองเต็มจีวรหมดน้าเหลืองเต็มจีวรหมดเลยนะพุทธเจ้านื่งดูดายไม่ได้เฉเดจเองเลยเฉเดตไปทำไมรู้ไหมเฉเดตไปเจอพระอาพาธพระพิสูจอย่างนี้ไม่ได้ดูแลกันเลยใครจะแก้ผัวยวยคคาฆ่าไม่รับโลกเลย ทานจึงสอนไว้ในวินัยปฏิบัติท่าพิษุข้ายได้บุญมากเราจึงสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมาให้ไหมเนี่ยปฏิบัติท่าพิษุข่าได้บุญมากเอาอยุดยาเราษาโรคถวายพระพิษุข่าลเรพุู้เจ้าจึงได้มาทําเองเป็นตัวอย่างสุผ้าแก้จุ๋านออกต้มน้ําเองเนี่ยพระองค์ต้มน้ําเองแล้วมีไอไ อ, ไอลาง ไม้เขาเรียรสูบผ้าเอาผ้ามาแล้วก็เอาน้ําร้อนไลากันมังเดือดเอาน้ําเหลืองเอาไว้พวกฝีออกน้าเหลือดน้ำเหลืองจะติดจีวรซักพระองค์ซักเองซักให้พระภิกษุซักให้สะอาดแล้วรีดด้วยเอาไม้มาทับตาแดดให้สะอาดแล้วก็เช็ดตัวให้พระภิกษุช่วยน้ําร้อน เช็ดให้สะอาดเลยพอสะอาดดีแล้วน่ะเช็ตัวแล้วก็จับนั่งห่มผ้าให้พระพิสุทธนี่ผู้เจ้าทรงทําเองแต่พระเด่นที่ไม่เอาไหนเลยไม่ได้ทาอะไรเลยเนอีอยขายเจ็บก็ไปโรงพยาบาลทํามให้รับลูกผู้เจ้าโวยทําเองท่านบอกได้บุญมากปฏิบัติพระพิสุขไข่เพราะพระพิสุทสมัยนั้นเป็นพระหลานนั้งเยอะได้บุญมากพระเด่นที่บวชสองวันน่ะ สามวันฉึกแล้วไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ไเลยเลยเลยทำํำผาบสะอาดแล้วก็ห่มให้เสียเรียบร้อยหอมเรียบร้อยจะทําอะไรรู้ไหม้วทำลายพระพิยาทํำลายต่อไปรู้ไหมสอนกรรมาฐานหนึ่สบาย อ, อกสบายใจไม่เนืดหนาตัวเขา้าใจไหมเนี่ยไม่นอนจมอุจจาระปัสวะ สะอาดกายสบายใจสะอาดใจเจริญสุขต่จจากทุกข์ได้จริงพระองค์ก็แสดงกรรมาฐานสิ่สติปัฏฐานส่ให้พระอาพาธฟังพระอาพาธก็ได้รับทำไปด้ยวยเจริญกรรมาฐานํำเมร็จเป็นพระหานทันทีท่านรัมมนตรีจำไว้คนแก่คนเท่าสมนใหบเวลาเวลาป่วยเขามีมูลค้ามาต่อนามเนียแบบนี้ต่อนาม คือต่อขันห้าเป็นอารมณ์พระแทนก็มาสวดอเนกชาอาวิชาปั จ, จยาสังขารหลาเป็นตัวปันจากันทาลู ป, ปักขันโทขันห้าลูกนามเป็นอารมณ์คนป่วยเพราะได้ชาพระก็ทำกรรมฐานสําเร็จหายยคไขภัยหน้เรียวกว่าต่อ น, นามท่านผู้รู้ทั้งหลายเอาไปสอนหน่อยจำหน่อยไปจำตอนไม่ดีแย่ ตอนดีจําหน่อยได้ไหมคนที่จิตไม่ดีมันจะชอบจําที่ไม่ดีจําไว้แล้วตีดก่อนคนจิตดีมันจะชอบจําตอนดีคนจิตเร็วๆมันจะชอบจําของเร็วไปฟังแล้วเหมือนกันไหมไคนเร็วๆชอบจําไอ้ไอบาบาบบอคนดีมีปัญญาจะจําของดีเสมอไปเข้าใจไหมเจ้าแม่ไปเข้าชงที่ศูนย์เนี่ย คนใจดีจะจำของดีหมดจะมองคนในแง่ดีหมดจะไม่มองคนในแง่เสียคนที่ใจเร็วๆจะมองคนในแง่แง่ร้ายแง่ดีจะไม่มองเพราะคนเรามันแตกต่างกันด้วยกฎแห่งกรรมดังที่กล่าวมาเข้าใจไหมอ้าวเข้าใจต่อไปพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมต่อคนสมัยสบายใจ จำไวเลยคนที่มีทุกข์ร้อนเข้ามาวัดใจไม่สบายเข้ามาหาคนดีไม่ค่อยจะ ด, ดีคนที่มาดีจะกลับไปดีมีปัญญาตั้งใจมารับธรรมะคนที่มันมีทุกข์เนี่ยมันจะมาแลกธรรมะเอาบุญมาแลกบุญเอาทุกข์มาให้พระบุญก็เพตียก็พระ พ ร, ระมายุภาษาก็จเจริญพรเจริญพรถวายชักงาถรรพ์ถ้าจะามีสุขเอาเงินมาถวายจะมามากๆก็มีสุขญ า, ศ า, ศาติท้าเจพิโยเวลาถวายมากก็ให้พรมากถวายน้อยให้พร น, น้อยแบบนี้เลยเหมือนเหมาะกันเลยกับสมัยยุคโลกาภิวัฒน์งาจะเอาโลกุตละธรรมมาแก้ไขปัญหาชีวิตจึงจะถูกต้องเข้าใจไหมเนี่ย นาชิดายโอกาสวินาที่มีค่าสำหรับท่านทั้งหลาย <c oughs> ในเวลาการต่อมาเนี่ยได้ความออกมาอีกพระเจ้าทำอย่างเลยผลทายก็เอาแบบพุทธเจ้ามาคนแจ๊กจำผิดจำผิดเวลาจะตายแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยเอาเสื้อมาใสา่ก็จะตายไปเลยควรจะอยู่วันพรุ่งนี้ตายวันนี้เลย เข้าใจยังไงเวลาเจ๊กจะตายนะคนจะตายเอออาเสื้อมาเสื้อมาจํำผิดน่าจะจำตอนพระพุทธเจ้าวันเนี่ยน้ํา เ, เหลืองนะ้ําเหลืองเนี่ยมันเลอะเนินนะขี้เหือที่คลายมันเนินหนะแล้วแชสสบายแนละ้วจะดีไหมจะดีไหมเนี่ยตอบมันสินะนี่ดีแล้วท่านให้ธรรมะคนที่กลุ้มใจอ่ะใจคอไม่สบายเนี่ยรับธรรมะไม่ค่อยได้ แล้วก็เหืองเนรนาเนี่ยจะสบายใจไหมเนี่ยนี่จำไว้เยถะาจึงบอกว่าพระภิกษุและป่วยไข้ขอให้ทุกองช่วยดูแลหน่อยแล้วพระเจ้าทรงกระทาด้วยตนเองซักผ้าให้พระเองแต่พระเดี๋ยวนี้ไม่เอาเลยเหระไม่เอาเลยเหระแต่ไม่ยช่พระที่นี่พระที่นี่ดีก็ตายไปเนี่ยท่วาเนี่ยพระที่อื่น ไหนไม่รู้แล้วไม่ทราบอ่ะที่นี้ดีที่สุดไม่ว่าของเราดีได้ยังไงล่ะพวกเราต้องดีเสมอแต่ดียังไงเราก็ไม่ชาบแล้วไม่ช้าบอลแล้วเข้าใจไ้มเนี่ยเลยคนจีนจําผิดจําไปว่าคนจะได้ตายรีบเอาเสื้อมาใสา่เอาแหวนมาใสา่จะได้อาไปเข้าใจผิดเลยใสย่แล้ตายพอดีเลย เวลาไม่สบายอ่ะให้เปลี่ยนผ้าผ่อนให้ใจสบายผ้ามันสกรปรกพยานชักนะผมแล้วก็ทำใจมันจะสบายจะได้ไม่เมน้นสาบอุจจาระปัสสาวะจะได้ล้างออกไปเขาจะใจดีจะได้ให้ทางทำได้ง่ายขึ้นต้องการตรงนี้เอาไปสอนหน่อยนะเดี๋ยวจะพาใครจะตายก็รีบถอดเสื้อผ้าเอาใส่ใหม่ตายหาพอดีเนี่ยเข้าใจยังเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ย มีใครพูดในคฟังไหมจะได้จไว้เนี่ยเปลี่ยนเสื้อผพพ้าเพราะเห็นพระท่านเนี่ยน้าเดือน้เหลืองเต็มตัวถ้าท่านลูกไม่หวานอุจลาก็เต็มเราบ้างเขามัาง่งลองคิดดูสิลองวาดภาพดูบ้งสิถ้าใครเอาภาพให้เปลี่ยนอาอบน้ำให้เราเนี่ยจะสบายไหมนี่ทเจ้าสอนตรง ให้พระช่วยกันทุกอย่ดูแลกันหน่อยได้ไหมไม่มีเลยเหรอเป็นฝีดาษท่านจึงมีอนุญาตเรื่องพระวินยัยให้ผ้าปิดฝีให้ยาวเกินกำหนดนี้ได้ผ้าปิดฝีเนี่ยพระวินยัยบอกไว้ชัดเจนให้ยาวเท่านี้กี่ชื่บปีกคืบจะใหญ่มากไปมันก็จะเปลืองผ้าเล็กไปก็ไม่พอปิดฝีถ้าคนอ้วนหน่อยก็ลําบากก็ต้องเอามาสิมาปานกลางปฏิ ป, ปทาปานกลางชัดเจนนี่เรื่องวินยัย สอนชับเลยพวกเจ๊กจำผิดเลยพอจะตายตีจะตายไม่จะตายควรจะไว้วันพรุ่งนี้นะค่อยตายเดิมจะหัวโลเลยอแก้มเสียแก้มเสียบปอปอปอเลยชาจะตายเลยนอกว่าจะเอาเสื้อผ้าไปได้ไม่ใช่เข้าใจยังเนี่ยเข้าใจยังจะได้ทานเข้าใจแน่นะ เดีย๋ยวจะไปพูดผิดนะแล้วสอนไปทํำนี้ไปพูดจะต้องวาสอนไปต้องวาไปพูดต้องเส้นเลยเหรอฮนะเข้าใจไหมเนี่ยต้องพูดให้รู้เรื่องไปเลยไม่งั้นไม่ผ่านนะสอบตกแักวสระปลาย่ามาสมัยผู้จัดการทำเนี่ยไม่มีแม่ครัวเลยคาราวาสไม่มีประบอ น, นกวงกฐะเลยแม้แต่ผู้หญิงคนอยู่วิธีการทศพุทธเจ้าให้ถัดกัน ให้ขาดกันนี่เรียนเรียนนี่ต้องเรียนพร้อมกันหมดเนี่ยคันถาธุระเรียนหมดเลยเนี่ยจบคําสอนแต่ไม่ได้จบพระไตรปิฎกเพราะตอนนั้นไม่มีพระไตรปิฎกยังไม่เดชสังคยนาเพราะพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เรียนจบหมดแล้จบ แ, แแจบแล้วทางานแยกแยกวัดเรียนจบแล้วแยกวัดนี่วัดนี่คือคาโมวาสีวัด ในเมืองวัดนี้เป็นวัดปฏิบัติหรือวัดไรวัดปริยัติเรียกว่าคามาวาสีให้เลี้ยนเท่ากันหมดจบในการเท่ากันแล้วก็ไปสร้างวัดอีกวัดอยู่ในป่าเรียกว่าอารัญยวาสีอารัญยวาสีเรียกว่าวิปัสนาธุระทำยังไงถึงจะมีข้าวฉันเพราะปฏิบัติเนี่ยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อ ย, อยทาความเพียรมากไม่พูดก็ทายเลย ไม่ต้องบินธาบาติสองไม่ต้องกวาดสามไม่ต้องจดไม่ต้องเขียนสจะไม่พูดกับใครทั้งหมดมาถึงได้ผลแล้วข่าวเอาเนืะะ้ฉันอาจารา์รติกรตอบไม่มีจะเอาเนื้ฉันจะบินธาบาติก็นางไม่ดีหรือยังไงไม่ต้องบินธาบาติเลยผู้ปฏิบัติ จำอะไรเนี่ยเอาบวชเมรุแล้วดู้อนไปเชื่อบินขบ่ากันหัวแดงแดงใช้ได้เล้อที่ศูนย์อย่าทำปฏิบัติต้องปฏิบัติแท้อย่าไปเอาเอาลูกเข้าไปบินขบา่าตาแดดตาฝนเนี่ยฝนแก่นยังมีไหม ย, ยังมีไหมถ้าจะพ่อศูนย์อย่ามีใครเอาข้าวมาเลี้ยงเทวดาหรือไง ตอบพี่นัติกรเทวดาเหรอแม่เหรอถูกมันการเทวดาแต่ไม่ใช่เทวดาแบบอยู่ต้นไม้หรือบนสวรรค์เทวดาฮิริโอตปะผู้มีฮิริโอตปะจะมาให้คือใครเอาละผู้ใช้กรงเลยหมดเรื่องไปแม้อ้อมค้องก็ตอบไม่ได้ พระมีอยู่ร้อยองค์ไปเข้ากรรมฐานยี่สิบไปเข้ากรรมฐานยี่สิบเหลือ80ดสิบเข้ายี่สิบแล้วนะแลยี่สิบเหลือหกสิบยี่สิบไปบินชบาทเลี้ยงยี่สิบองค์นี้ไปบินชบาทเลี้ยงอย่างเดียว เลี้ยงให้อิมและ2ยี่สิบเหลือสี่สิบดูแลกิจวัตรของพระภิกษุผู้ปฏิบัติออกมาไม่ได้เลยไม่ต้องสวดมนต์ไหว้พระเลยทั้ง ห, ห้ามพูดและห้ามจดหนังสือห้ามเขียนได้ทั้งหมดปฏิบัติอย่างเดียวเหลือสี่สิบเนี่ยอีกสี่สิบเนี่ยดูแลหมด ดูแล้วทั้งหมดทั้งอาหารฉับ ป, ปายะทั้งบุคลากรสับ ป, ปายะเป็นตัวบุคลากรด้วยพระนี่และเป็นตัวธรรมะฉั ป, ปายะสอนด้วยแล้วพวกนี้ออกมามารวมนี่ออกเป็นฉาบคนที่ยังไม่เข้ามาเวียนกันอย่างเนี้ยสบายมากฉันเวลาเดียวไม่สองเวลา แล้วก็สี่ีิบลูกเนี่ยไปหาหน้าปานะมาเป็นบุคลากรในตัวน้าปานะหรือน้าอะไรก็แล้วแต่มาสมัยโ น, นมาเลี้ยงเนี่ยเอามาเลี้ยงเข้าใจไหมไม่ขัดข้องเลยนาข้าวหมดร้อยองค์ร้อยองค์งเสร็จแล้วเรียงต่อภาคสองเลียนต่ อ, 2, เ, รตอเรียนต่อเสร็จแล้วก็เข้าอย่างนี้ตนยานโดยวิถีเข้ามาสู่ภาวะเรียกว่ายานที่ปกทันที ไม่ต้องมีบุคลากรภายนอกไม่ต้องมียาโย ม, มาปนแม่แต่คุณมาสมัยผู้จัด ก, การอยู่ในปางป่าจำไวไม่มียอมผู้หญิงเลยพระเนี่ยบินส บ, บาทมาเลี้ยงและผู้ปฏิบัติไม่ต้องออกมายุ่งไม่ต้องออกมากวาดถ้ายุกใหม่สมัยนี้ถ้าเข้าปฏิบัติเจ้าระลมไม่ต้องกวาดวัดไม่ต้องมาสวดมนต์ไหว้พระไม่ต้องบินส บ, บาทด้วยแต่ปฏิโมคลองลง สำหรับเปรียบปรมต้องมีครูสอบปรมเนี่ยไม่ใช่มานั่งเอาเองไม่มีครูสอนเนี่ยนั่งเอาเองไม่มีครูสอนเนี่ยนั่งจนหัวงอกจนหัวหัวล้านก็ไม่ได้อะไรเรียนม .1 ที่ม .6 ไม่ต้องมีครูสอบหรือว่ามันได้ม .3 หรือยัง